ยังคงเหลืออยู่อานนท์นี้แหละเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุ